เรีนช่างคนแม่งเอาเสริฟอัปเกรดตัวเองเป็น Engineer. เอนจิเนียร์เขาด้วยนี่หรอไหมสุดท้ายแม่งนะฮะคนที่จะมือเปื้อนฝุน่นคนที่จะมาซ่อมนู่นซ่อมนี่สุดท้ายคนที่จะรวยนะมึงดูนะเอนจิเนียร์กับใครรวยกว่ามึงดูไหมช่างคนแม่งจะรวยช่างคนที่แม่งเป็นเป็นเมขคาโทนิกโลกอนาคตไว้แม่งซ่อมโรบอทได้ กูมาจากอ้วนนะโคตรรวยมาลากมูฟังเงี้ยนะถ้ากูแม่งไปเดจนเกินเราการจบด็อกเตอร์เป็นนักวิจัยฮะเงินเดือนอย่างมากก็สามหมื่นหกเหรียญสามหมื่นหกพันนะะเพราะว่าไอ้จอร์จแม่งจบช่างกลสี่หมืนห้านึ่งหมื่นยูเท่ากันนะเขาอยาว่าจอร์สแม่งจบช่างกลถึงเวลาเข้ามันจริงนะช่างกลแม่เป็นคนทํำด้วยกูเป็นคนคํานวณนั่นเองว่าเซฟตี้หรือไม่เซฟตี้เซฟคอสหรือไม่เซฟคอส ทั้งคนแม่เป็นคนทำแม่เก่งกับากูเยอะถ้าค the ุณจะเดินทางไปในอวกาศนะมึงจะเอากูไปหรือไอจ้อดไปเอาไปไอจ้อสเยากูทำไมกูอยู่เฝ้าฐานที่โลกเดี๋ยวจ้อสแม่อีเมลมาถามให้คำนวณมึงคิดอะไรผิดหรือเปล่าใช่ไหรือไหมเรียนวิศวะแม่งทุกหมาอะไรแม่งก็เปิดข่าววิศวะถูก่าเสร็จแหละคนเก่งเหมือนมึงก็มีเยอแยะต้องวางแผนไว้ รู้สึกผมแต่ละคนตอนนี้เนะี่ยใครเรียนเอนจิเนียร์นะี่ยผมตบกระโหลกแม่งให้แม่งย้ยายไปเรียนไฟแนนซ์ทัหมดมึงยังไงก็ต้องใช้เงินทำไมมึงไม่เรียนวิชาชื่อเงินวะโง่ยิบหายไอออนลูกสาวผมเน่ยผมนั่งดูดวงแม้งแต่เลขละอีนนี่โตขึ้นแม่งต้องเรียนอาร์ตในเมื่อมันเรียนอาร์ตเดี๋ยวคูส่งเสริมแม่งอาร์ต มันชอบเรื่องแฟชั่นกูคิดดูตอนผม60ลูกสาวผมเปิดร้านมีนางแบบเต็มบ้านที่หมดโอ้โหอัจัด ช, ช, ช, ช, ชัดชาชีวิตกูดูแม่งเปลี่ยนเสื้อแล้วกูมแล้วเฮ้ยยังตอนนั้นทำอะไรไม่ได้แล้วที่เนี่ยหกสิบวัตุเลสใส่แกกูไม่เลสพระวัดใส่น้อยนะมูคิดดีๆเลย อันนี้แหละที่ปีเตอร์เซนก์เรียกว่าเพอร์เซนอลแมสเทอรี่นั่นก็คือเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วคุณลูกรู้จักคนคนนี้ไหมได้มี่นางแบบพ่อแม่งกินไดเร่เลยเว้ยกินไดเร่ก็คือแลมโบชลาดชิบแป้งเลยแม่งคัดไอคิวมาสูงสุดแล้วเห็นได้มดืดมืดเลยนะชลาดยิงในแม่อีสานิ่งโคตรคุ้มเลย ผู้อีสานแมงอดทนอึดแล้วก็ทำมาทำโมอันนี้ส่งหรือการทำบุญถวายหลวงปู่หลวงพอแถ ว, วอีสานต้องบอกส่งให้รูปแม่งขึ้นถูกไหมมีสมาธินอจากการนั่งสมาธิเดินอย่างปีวิเชซิงแนงแนั่งกรรมฐานทําให้การชิดลูกของมึงนิ่งขึ้นการสวิงของมึงนิ่งขึ้นคุณอยากปีกอสเก่งไหมนั่งสมาธิเดินชมกลมบ่อยๆเดี๋ยวก็ขึ้นปีมือแม่งขึ้นอย่างน้อยก้าแต้มแทนที่แคบมือก็คงมาก้า เยไม่เยอะม่งโจเปลี่ยนเยอะโจถามว่าถ้าไทเกิร์วูดเรียนเมืองไทยระบบการศึกษาไทยตานนี้แน่งรวยไหมถูกตบกระโหลกแล้วจบลงด้วยการเลยครับเรียนราชพัชราชมงคลแล้ว่าทำไมครับมาหางานมนกาสาวพุทธเทมอลีนอะเทมมี่อะเหมือนกันมาก นี่คือตัวอย่างของบุคคนที่เขาเชงอยู่ที่การเรียนรู้พ่อพ่อวาที่ศาสตร์การศึกษาทั้งหมดเลยเทมมี่ไอขุนมื่นเดียวได้ก็เหมือนกันรู้จักไหมขุนมื่นเดียวอ่าขุนหมื่นเดียวได้ได้สนิท <c oughs> จะขุนมื่นเดียวได้ป่ะขุนมื่นเดียวได้เนี่ไม่ไปเสร็จตรงไหน ต่เสร็จตรงนี้จัดลงทุนจ้างโค้ชแม่ไม่จ้างโค้ชสุดท้ายแม่คือกดในกาลามึงเอาเงินยี่สิบล้านมึซื้อรถเฟอร์ราแทนนี่มึงเอาห้าล้านนี่มึจ้างโค้ชเพื่ออัพเกรดเดือนเดือน ม, มึงคิดอย่างคนขอนแก่นมึงขับเฟอร์ราี่ไปโชว์คนขอนแก่นนะนะแม่อีส จ, จ๊กใช่ป่ะเขาไม่เข้าใจคนขอนแก่นว่าธรรมะธโมเออมีได้ยานสิบหก มีปรัชนายานเฮ้ขี่ไปโชว์เขาเขาจะวหายมึงถูกว่ามึงขับฟอร์นารี่เขาก็เล่นนะอะไรวะเงินแม่งเยอะแยะใบจ่าเท่าไหร่เดืนเดียตายรูปเดียวตายรูปเดียวหายรูปเดียวแค่สรุปก็คือว่าเรื่องการเรียนรู้นี่นะพวกคุณต้องปรับตรุงนิดหน่อยคุณหาตัวตนคุณให้เจอนี่คือการอึกษาไทยแตกต่างกับต่างชาติตรงที่ คุณหาตัวตนคุณให้เจอฝรั่งมันจะสอนประจำหัวอยู่มึงจะเก่งอะไรมึงหาตัวตนมึงให้เจอพิเตอร์เซนเรียกว่า personal mastery มึงหาตัวมึงให้เจอก่อนเป็นใครคนไทยไม่ไปแปลผิด personal mastery คือความมีมเเวินัยมีตนเองเองเวนคนละเลื่องจะแปลผิด personal mastery คืออะไรครับมึงเจ๋งเรื่องในเรื่องหนึ่งมึงเจ๋งเรื่องใดยึหนึ่งให้ได้เข้าใจไ เนีย่ยเขารวยคุณย่งยังว่าทำไมที่แก่งคอยจึงแบ่งฝ่ายผิดเราเป็นฝ่ายฝ่ฝ่ายซ่อมฝ่ายซ่อมมึงงงแม่ยื้่นะให้ซ่อมอะไรแม่งององแง ก, กว่าจะเรียกมาแม่งเรื่องมาอาชีพหลายเหมื อ, อมนช่างกวนตีนทั้งหลายช่างที่แม่งนีก่ก็แม่งเจ๋งนะอันนี้แอบเป็นเอชแวนทำไงคุณแบ่งแม่งสองบริษัทเลยเขายัยังแยกออกไปเลย ถ้ามีคนเขาซ่อมดีกับมึงกูใช้เอาซอฟต์ทกูไปจ้างมึงหรือลาส่วนฝ่ายผิดก็เหมือนกันไ อ, สนลล อ, สอนะ้สันดานรอช่างมาซ่อมนะสันดานแม่กดปุ่มเป็นอย่างเดียวมือควายจับหาอะไรพังหมดช่างแม่งกระเหนื้อกระน้มือเพื่ออะไรช่างแม่งกระเซ็นเอเวนไม่เคยหัดจะเรียนรู้อะไรเลยทำทีพีเอมก็นบนทิพไหยเพิ่มเงินเพิ่มเงิน เ, เงือ น, น, นเดือ น, นมึงแย่ข น, นาดนี้ยังพูดอีกเพิ่เงินเด็ดมือ ใช่ป่ะมึงโอเวอร์เตยแล้วตอนนี้ยมึงเป็นไอ้หมูอ้วนตัวหนึ่งรอโดนเชื่อนนั่นเองมึงไม่พัฒ น, นาตัวมึงเอง่ายผลิตคอยแยกเอาพวกฝ่ายแชร์ไปเปิดบริษัทใหม่ฝ่ายผลิตแม่ต้องทำ TPM ถูกไหมครับมึงต้องทำทำไม่เป็นกูอาบุหรออกนั่นเอถูกป่าฝ่ายผลิตกูหาเมื่อไหร่ก็ได้มีคนสองคนก็พอแล้วโน้ทาวถูกว่าเป็นคนสองคนก็พอแชร์งก็ดีดออกใช่ไหมใหม่เขาคิดเนแบบนี้นูงง่น ปริคนรถคนที้เยอะน้อยใช้น้อยทีสุดใช้คนให้คุ้มค่าที่สุดถ้าคุณไว้้คุณต้องพัฒนาตัวคุทุกวันไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องพยนันไม่ต้องศึกษาคุณบีบออกเป็นสองบริษัทปั๊บปนี้สบายแล้วคุณดูถนนในกรุงเทพสักเส้นหนึ่งนะคุณหยิบสลมมาก็ได้ผมให้คุณเรื่อนพิทยาศาสตรนะ์เนะลองสุดยอของตึกตึกหนึ่งในสีลมนะคุณจ้ายให้สามคนนี้นะมากินเดินเดือนเป็นฝ่ายซ่อมบำรุงซ่อมแอร์ซ่อมอาคารนะ 10บปีผ่านไปเราสามคนนี้ไปไห้ไหนสิบปีสามคนนี้เรียนรู้อะไรปีสวัสดีแกนแข่งกีาสีเหรอที่ไม่เล็นนี่แมวรอกอาหารต้องสวยต้องมาันงเ้ือกกันว่าปีนี้จะใส่เสื้อยีนหรือจะใส่เสื้อสีอะไรมากต่างขุนไม่มีทุกสีเลยมีโรงงานในโคตรเคยแล้วสีเขียวถรมดาไอเวรเลยสีที่ทำให้คนขี้เก <hiking> ียวทนึ่งสีเขียว เขาไม่ลบก็พลางตัวไอเวนทีไม่ได้แชมป์ทีเมลิกโดยสถิติและใส่เสื้อสีอะไรสีแดงนนานที่มีสีเงินหลุดมาทีนึงเดี๋ยวก็หมดแล้วเทลซีเงินไม่จะหมดแล้วไอลาเสียงม่ถอนตัวมา่อไรเทลซีก็หมาตัวนึงใช่ไหม่ะเนี่ยคือทีชีติมต้องมองมองยาวๆในนั้น บริษัทที่รับจ้างซ่อมบารุงนี่นะมันก็เดินเข้าทุกตึกในสีลมเลยแล้วแม่งไปรับจ้างกุญแจบริษัทเสิร์ฟน้ํานี้เปล่าล้างส้วมแบบพีซอ่ยผมไม่ไดรู้สาพีซเอเมื่อ ก, ก่อนเนี่ยเราเริ่มต้นจากใครครับแม่มคนนึงแม่งอยู่อังกฤษเป็นบัคเลอร์บัคเลอร์ก็คือคนใช้ทกำลังเนะแม่รไม่ได้หัวไทยผมไม่ได้หัวไทยเสร็จป้าเขาคิดเลยครับสุดยอดการทําความสะอาดเลยก็คือเปิดบริษัททำความสะอาดเข้ามารับจ้าง ทำทังประเทศถ่ายรวยรเบิดเลยมงทันนี้เพื่อยงเก่งเรื่องเดียวเลยคือเรื่องอะไรครับทำความสะอาดแล้วค่อยขยายตีออกมาเป็น Security ก็คือมียาม EGS เขาค่อยแตกลายออกมาตอนนี้อาจจะไปถึงขั้นขายน้ำยาทำความสะอาดเองได้เลยเพราะเขาเป็น Expert ทางด้านนี้นะอาจารย์ไ่ถึงเน่ผมไม่สอ น, นผมทำไม่ได้ให้เขาผมใช้หลังของ McDonald s. เป็น cleaning university พื้นเนี่ยแค่ไหนเรียกว่าสะอาด มีห้องมีห้องทำความสะอาดมีกระจกมีวัสดุทุกอย่างให้ผู้มึงฝึกเลยไม่เจ๋งทีกูไม่ปล่อยออกมานะครับเห็นไหมผลเป็นขนาดนั้นนว้ยเนี่ยพวกไม่บ้านมีซูเปอร์วเซอร์เดินคอยตรวจซ้อนอีกทีหนึ่งมีคหรือมีคุณภาพสูงไล่ไล่ตีไล่ตามแต่ทำแป๊บเดียว้ก็มีคนแซงใช่ไหมนับเทิรอนอะไรมขึ้นใหม่ก็ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคถึงตนนั้นกูรวยละอะไรยังง่คิดก็อยู่ที่วิธีคิด แล้นะวโลกอนคตแม่งเปลี่ยนไปอย่างมากมากนะอย่าประมาทนะถ้าดีเฮฟวี่คุณไม่เชนตามนะคุณก็จะมีปัญหาคุณหักคลิกตัวบ่อยๆปัจจัยก็ทําให้คุณไม่เปลี่ยนนิสัยคุณนะคุณก็จะลากงอกจะลากงอกเพราะงั้นคจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เนาเข้าใจ ย, ยังนี่คือที่ l e a r n i n g งพยายามทำตัวใหม่ใหม่ปแปลกๆนะอย่ากลัวนะอย่ากลัว เอาถาม ต, ต่อมา s t r a t e g กับ เ, เล้ยเหลียเหมือนกันไหมเหมือ น, นปอมมเปี้ยทำไมมีปัญหาเซเจอร์ในองค์กิค่ะมีเอ เ, เนนเทรนนิ่งแล้วก็มีใครอยากจะอบรมก็ใช่หรือพวกมึงอบรมไไหวแม่กูไม่าาาหมมากไปเรียนมึงเข้าใจไหมกูบื่อเคยเจอโลกนี้อ่งกูบอบรมอ่ะผม ก, ก็เป็นหอัยู่นาซาก็เป็นไปกฝ่ายคอมเนียตัวแสบอเวนแม่งเช้งระบบแม่งทุกเดือนไอพวกคอมอะ่ะ ไอ้สนนดานพวกผมนิสสวาร้มตัวกันเลยด้วยเรียกไอ้ไอเมนเจอร์ฝ่ายขอบมาแล้วตกลงมึงรอ6เดือนเปลี่ยนได้ไหมถ้ามึงเปลี่ยนออกระโลให้อะไรยังมึงเปลี่ยนไหมหรือแม่ก็เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่แล้วแม่มาบอกกนละไปอบลมขณะนี้เปลี่ยนแล้วจากยู i c คอ1สงเป็นยู i c o อ2อเป็นยู i c o อร์มหมเขาข้อศ c o ซีโอเอสใหม่เปลี่ยนเรื่อยๆเอาอไอเข้ามาอีกแล้วกูเลยด่าูมันว่ามึงเนี่ยมึงเนี่ย ในคำมอลให้เสร็จนะกูจะเปลี่ยนทุกหกเดือนเท่านั้นมันกูไม่เปลี่ยนยกูสืว่ามึงยงแกการทางานของกูก็ยงังนะแต้องมเล่นมันไอ้พวกไอ้พวกเรียนคอมเนี่ยสันดานแม่งเหมือนกันใหญ่เลยแม่มีความมันเชิง ว, วิชาการเพื่อยังแม่ไม่เคยคิดเผื่อคนอื่นเพาคนอย่างมันแม่งเก่งคอมอย่างเดียวไม่เคยเก่ง อ, งอื่นแม่งเก่งนะคอมไอ้เวทจิตวิทยาแม่งไม่มีมีเดชแม่งก็ไม่เป็นพลวมานี่เจอแม่งก็ไ ม, ม่รู้คอมถูอพวกคอมแม่งหลอกไปหาเพ้่ยังแม่งคนขายคอมแม่งโคตรรวยเลยใช่ไห โน้าวสูงว่ะตอนนี้เรามีแม่งแกงปล่อยเหมึอตัวชั่วเลยใช่ปหมพวกบิวเกตอ่ะ่ะแม่งหลอแดดวิทยะยกไฟลัดาแม่งป่ยเองอ่ะใช่ป่ะไม่หัวคิดดูดิคุณตกเป็นเหยื่อพวกแม่งไงกูไม่ยอมไปทีนาซากูไม่ยอมกูยอมใช้โน้ตหาวของเก่าเว้ยจะมีบางกลุ่มใหม่ยกตัวอย่างเช่นนะมึงวินโดวเก้ามึงจะวินโด้เก้าแปมึงวินโด้ดีมึงวินโด้อ์ใช่ ล้าพอครบถึงเวลาต้องอันใหม่มาก็ไหนครับก็กลับมาอันนี้มึงใช้ของมึงไเรื่อยๆจนกว่าจะมีใหม่มะแทนเหมึงเร็วกันเท่าไหร่เลยมึงเร็วกันเท่าไหร่นะกคย่เยใช้้าห้ากับอีมึงก็ต่างนไหวะมึงเร็วกว่านี้มึงก็ไม่ดูีน่เอีเวนเนดานถ้าคนไม่คิดไม่เตมเนี่ยไม่เป็นเซียนคอมเดี๋ยวมันไม่เคยเรียนเรื่องไฟแนนซ์ไม่เคยเรียนเรื่องคอสติ้งไม่ไม่เคยเรียนแม่งงานเชิงคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารแม่งก็ไม่เก่งคอมรู้แต่ว่าซื้อคอมทุกอย่างจะดีไอตักขายคอมแม่งเทควายสั่งซื้อคอมอีกแล้วจบแต่ผู้บริหารแม่งแดกคอมมิชชั่นผู้หาแม่งก็ช่วยแบบนี้ย่าแม่งกินแม่งกินโหแม่งกินคอมสิบล้านเนี่ยขึ้เป็นยี่สิบล้านอีกห้าล้านผู้บรหาแม่งเขาห่อกระเป๋าคนไทยแม่งเป็นแค่เงี้ยเหมือนรถยนต์ที่เขาอีเดือนเ็นแม่งซูททิ้งเนี่ยผูโคตราใจเลย ถ้าคนไทยแม่งชอบโกงญี่ปุ่นแม่งโกงไทยแม่งชอบโกงอายุแม่งกระเซงอ่ะอายุแม่งกระเซงเอาแม่งโกงรถยนตแม่งแพงกว่าปกติใช่ไหมแพงข้งนอกสามเท่าสมหน้านะครับแต่เอ้ยถู่วิธีคิดเป็นไงนี่เขาเรียกว่า personal mastery เลือกให้ได้หนูว่าอยาเก่งอะไรอ่ะรู้ตัวเองอยังหรือมึงจะเป็นสตีทแม่งมาประมินม ไอเวนไอสิงสัมรองหรือเป็นฟิลิป โ, โคคูฟิลเนวิลเห็นไหมที <_ d ream> s> <S ่สังเกตไม่เจ็บมือไม่ได้ลงหรอกเมื่อคืนเนี่ยแมงมาร์มไอเวนไอเฟาเลอร์ไออ่อนไม่มีแ บ, บ็คยังไม่เข้าเลยมันโกไม่อยู่ยังไม่เข้าเลยไอเมื่อคืนเนี่ยโคตุเล่ไอเฟาเลอร์เท่าหน่งเเนี่ยข้าวพานหมดเลยเมื่อคืนนี้นะไม่ใช่เฟาเลอร์นะเปนยูแพ้สามศูนย์ขอบคุณเรื่องเฟาเลอร์ลง โอ้จีบมาไอ้ยกษคุณจะเก่งเป็นตัวไหนอะทำไมดีวิทเบคแฮมดังแม่งเก่งอย่างเดียวเลยกูอยู่ข้างขวากูย้อนอย่างเดียวกูย้อนอย่างเดียกูไม่สกัดด้วยไอเวนกูไม่สกัดไอโดดังเพราะอะไรไอโดชิสโซโนโรนันโดแม่งหลอกทั้งคู่แข่งหลอกทั้งตัวเองหลงมาทั้งทีแต่แต่มันขายได้มะก็สรุกอะคนดูแม่งประเด็นคือ ประเด็นไม่ได้ถืชนะฟุตบอลร้วยมมันดูมึงก็ใจลิผิดแล้วว่ามึงก็ใจว่าประเด็นแ ม, ม่อยู่ที่กำไรไม่สิ้นปีเชลซีได้แชมป์เหมือมึงสับทุนโง่ิยหายแมนดูพวกกูแม่งคิดไฟนันเชี่ยวกูแก้งแพ้มึงปีนี้ปีนี้ใช่ไหแลแ่แก้งถอยมาที่หุยห่ยๆใช่ไหเอาเด็กใหม่ๆลงวัตัวน่ารักน่น ล, กลงพวกมึงก็ทนจูแพ้ แ, พแพ้แล้วกูก็แกล้งไล่หลังขึ้นมาแล้วจบลกูได้ที่สองมึงก็แพ้จึงดูต่อในปีต่อไปแ h a n ี y ใปเาะยานีชิดด้วยทาไมต้องชนะด้วยวะประเด็นอยู่ที่ไหนครับใช้จ่ายอย่างปะ ย, ยากเห็นไหมทาไมเราเลยดวงกิตเขามาลงคิด ด, ดิถ้ามไม่เอาเด็กต่งกิตมาลงสันดุเป็นชาติไหนนสเซนอลแมงหวยว่าอะไรแลแต่จิดมึงไม่เคอยอยู่แล้วมึงเปนนักเตะต่างชาติอคูไอออนมึงอยสเปนทั้งทีแล้วตอนนี้ ดูครูแม่ทีมชาติสเปนลงนะเขาจะ่งไอเวนใครไปเชียร์มึงใครไปเชียร์มึงมึงต้อเด็กไปรุ่นดิอังกฤษใช่มมึงจะดึงมึงต้องเวนูี่แพงที่หายก็ต้องยอมกาไรแม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นกไรอยู่ตรงที่ขายเสื้อเว้ยขายของชำรวยเว้ยขายโฆษณาไอ่ามึงไม่ต้องตามเกมเพาถ้าโค้ั่งตรงข้ามอนยู่เป็นสิเก่าอุศลมึงคอดูแม่งล้มบอล รู้นี่การันส์ัดกั้นไปที่ไหนแม่งยูจะแพหนึ่งศูนอย่างเรารู้กันเน่โอ้ยยังไงใครจะเตะมึงอยากให้มึงลงเล่นบอลเล่นขัดใจเลยนะไออ่อนบากนัดเดมึงจะต้องแพ้ให้เมียมึงไปแทงฝั่งตังาไว้มึงเข้าใจยังไอาเอ้ยจรงยังไเขาจะับเขาจะวิจิตรผู้คนว่าตอนนี้นายแม่งแกล้งเจ็บถ้าลงทีมชาติใช่แม่งแกล้งเจ็บแม่งโกหกผมอยู่กคนอตสามสิบกปีแม่งเข้าใจแมง อยู่กับมันในเว็บนะให้ันมีเว็บเมนูมึงเข้าไปถามมันก็ได้คุยมันก็ได้ด้วยนะเจ๊ทุกคนหนึ่งคไหนก็ได้คุยมได้้วมันตอบคุยมึงก็กกตอบมูเด้วยอีกกิ๊กสมมติจะมีไม่ตอบจะอีกกิ๊กหลายคนกิ๊กแง่ตอบแม่ตอบมึงอย่างนี้มึคุยมันเด็กงคุยมันคุยแุยไดหมดเลยโลกการเรียนรู้มันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆสกไหมตอนวใญเลยนทูเลนยัง หลากหลายไหมวิธีการเรียนเลยเราสัวนี้หลากหลายไหมไม่บอกไม่หลับนะไปเลยเจ๋ง่ลยไม่หลับไปเลยใช่ไหมกครเข้าใจวิธีคิดไหมอย่กมาประกดนี่ต้องมีอะไรให้แก้หลายๆอย่างคนสมมติสมมติว่าคุณมีดีวิทเด็คแคมนะแบงโคดเก่งเลยนะ โคตรเก่งเลยแต่ว่าเข้ากับทีมไม่ได้คุณเอาไว้ไหมห้มเก่งแค่ไหนก็ต้องเอาออกเพราะอะไรครับพาทีมพังหมดเลยแล้วมึงเนี่ยไปไปทำให้เด็กใหม่โขกูไม่ได้เกิดถ้าเด็กแค้มไม่ออกเลยนะเพรสเชอร์ไม่ได้ขึ้นถูกไหมครับนี่คือวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งถึงคุณจะเรียนเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่ แต่ถ้าคุณไม่เข้าเป็นทีมเรียนรู้เอาคุณเป็นมาสเตอร์ก็จริงนะแต่คุณไม่ทีมเรียนรู้เข้าทีมไม่ได้และไม่แชร์วิชั่นกับใครไม่ฝันร่วมกับใครคุณก็ต้องเอาไหมครับขายทิ้งครับรอยทีมเนี่ยนะแม่งอายุสามสิเอ็ดสาสองแล้วแม่งแก่แล้วแก่ทำไมต้องเลี้ยงมันไว้ทำสองแล้วไม่ต้องเลี้ยงเพราะรอยทีมมีจุดเด่นคือมี motivation เทคนิค มีอิ u e n c e มันสามารถทำให้ทั้งทีมคึกได้ปีเตออาจจะไม่สูงในครึ่งหลังเนี่ยอยคีนเลี้ยงเหล่ยวขึ้นไปต้องเยอะแยะพี่โชว์ลีดเดอร์ชิพให้ทุกคนดูมันทำให้ดูทำให้ทุกคนคึกขึ้นมานี่ปุสิงนี่เริ่มจ้างรอยคีมไม่ต้องเก่งมากนะอย่างนี้ดีถึงแก่เลี้ยงไหมสมมติคุณมีลูกน้องสองคนนะไอตัวนี้ไอตัวนี้นะ ไอนี้แม่งโคตรเก่งเลยนะโอ้โหแม่งเก่งเชฟหายเลยไอคนอย่างนี้นี่นะูจะเอาแม่งออกถ้ามันเข้าใครไม่ได้นะแม่งอีกเนี้ยสงมากๆอาจจะต้องให้มันทํางานหน่วยโปรเจกต์ไม่ต้องขึ้นกับใครเลยมันคือ <S <S <S <S อะคีลิสเข้าใจว่าถ้าอิสระมันไปเลยปล่อยมันไปเลยหรือเปิดบริษัทใหม่แม่งแล้วแต่เราลงหุ้นกับมันเข้าใจยังเก่งมากเลยเข้าทีไม่แน่ต้องปล่อยไม่อิสามแบบนี้ถ้า ม, มันซื้อทีมไว้แล้วปล่อย ส่วนตัวที่อย่างรอยคีมเนี่ยจะให้คนเนี้ยเข้าก่บทีมได้ลหไม่เก่งมากอยู่ไหมครับอยู่เขาออยัางออยังเขายังไม่ดีคิดยังตรงคู่เป็นคนไหนคนนี้โอกาสหัวขาดสูงสุดเลยใช่ไหมถ้าเจอเจ้านายดีๆนี้โอเคเข้าใจไม่มีปัญหาเจอโอดิซิอุสขอคกูเนี่ยสบายใช่ไหมจเจอโอดิซิอุสเจอสบายกูเลี้ยงมึง อ, อย่างนี้อย่างี้้เจอไอ้ก โ, โ, โง่แม่กะาะกันอยู่เรื่อยข้างเดียวกันเนี่ยเขายัายัง ถ้่เขาคุณคูณเป็นคนไหนอ่ะคุณเป็นคนไหนนะสุดท้ายคุณการเป็นคนอย่างนี้คุณก็เสร็จเลยคุณการเป็นมิสเตอร์นี้มิสเตอร์ด่าเป็นคน Dead ดนันด่าเข้าใจยังแปลออกไมคำว่าดันด่าแปลว่าอะไรข้างลุ่นจังมึงไม่ได้อะเป็นคน <S <S <โด>ที่สแตนด์ด์มาก หรือแปลเนไทยว่าดาดเดินสมัยมึงๆๆกูงหาได้เรื่อยๆตอนนี้ไอ้เอกไอ้ไอ้อคิลิสนะแม่งขึ้นมาดำเด็กผู้ชายคนนึงแม่งบอกอย่าไปล็อกเลยวิ่งสปูแม่งตัวใหญ่ยังก็อยากษ์ไอ้เวนฉากแรกนะอคิดชัวรมากเลยคิดอย่างมึงงี้เขาจำชื่อมึงไม่ได้เขาใช่ไหมแปความหมายออกไมหมแปลว่าอะไรครับ ถ้ามึงไม่ทำเรื่ที่มันยิ่งใหญ่แล้วมึงเห็นาชื่อมึงได้ทำไว้ี่มันยิ่งใหญ่พัฒนาตัวเองที่มหนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ให้ได้สูงแงยาามคิดนะพาามคิดอย่เป็นมิสเตอร์ดดาดนะดาดืนพมึงตายไปร้อยปีใครนะอ๋อคนนี้เหรอเอาง่ายตอนนี้เพื่อนรุ่นรุ่นมึงยังนึกนจชื่อมึงไว้ว่ามึงอยู่ในรุ่นมันอยู่เนี่ยไอออน ใช่ป่าวงพระหน้าตน้าล่องหน้าตัวเองาหาความเด่นอะไรก็ได้มันมีเด็ ก, กอายุ7ขวบอยู่คนหนึ่งที่รัฐฟอริดานะเด็กคนนี้7ขวบครูสอนหาอะไรก็แล้วแต่เด็กคนนี้แม่ชอบบอกออกไปนอกห้องมองต้นไม้มองอะไรเงี้ย ม, ม, มันมาที่นี่มันคแฮปปี้มากนะต้นไม้แม่งเยอะครูก็เลยด่าว่าไอ้โง่หัดเรียนหนังสือซะบ้างเด็กแม่งถูกตีตลอด สิบปีผ่านไ ป, ไปอายุสิบเจ็ดเด็กคนนี้คือเศรษฐีอันดับต้นๆของรัฐฟอริดารู้ไหมอาชีพ อ, อะไรมันคือแฟนพันธุ์แท้เรื่องการปลูกต้นไม้มึงหามันได้สักเบื่อยังเรือลบมันเหมือนต้นต้ น, ตนอี้ต้นอื้อในเรื่องแปดเทพประตุะนกรฟ้า แม่เจอต้นชาพ่อเตยที่บายชาแบบนี้ต้องปลูกตรงนี้ภายใต้แสงแดดแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แม่เป็นเอ็กซ์เพรสตอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเพอร์เลยครับเพอร์ซแนลแมสเทอรี่เจ้าอ่ะเป็นหายพวกคุณอนะ่ะเอาฟอร์ฟูรีโอมาดูดิก <c oughs> สองคือเรื่องการเล <c oughs> ินลฮางคุณเรเวลใช่ไหมเรื่องการควบบันดินะเรื่องการควบปันดิต เรื่อการเก็บวิธีคิดกับบัณฑิตนะครับหาวูจริจังไหมแต่แล้วสุดท้ายคือต้องมาวางแผนชีวิตคุณวาง strategic วางแผนชีวิตว่าสี่สิบห้าสิบหกสจะเป็นยังไงนะคุณก็ต้องมานั่งคิดต่ อ, อว่าสุดท้ายจุเป็นมัสเตอร์เรื่องอะไรจะเก่งเรื่องอะไรคุณอยากจะซีดแม็กนามานไหมตายก็ได้ฝาบลายก็ได้การก็ได้ไดสุดท้ายนั่งจำลองที่ไอเลวแมทริดก็แยกคนเรวกับเร็วแมทริดใชรือว่อวา ่างนั้นน hmm. ้าเ้าโอ้คุณเก่งอย่างเดียวเลยครับชอนไลท์ินหิกตัวจีติดขวาถ้าเป็นผมนะมีรูเข้าอยู่ในจิตนะถ้าแม่งาแม่งใช้เท้าขวาตอบกระโลเลยเก็ดเปวนใหญ่แต่ถนาดซ้ายทำไมครับทำไมมึงเล่เหมือนคนอื่น้วยวะมึงถัดเล่นซ้ายเพราะมันติดซ้ายแม่งหายากแบกซ้ายก็ยากมีแต่แอชี่โคคนเดียวใช่ ตัีซ้ายีโคตรยากเลยโอเวนฮาคี้ไปอ่อนนะมันไม่มีอะแค่ย่างีซ้ายหัดซ้ายไปเมย์กัน่ะเมยัดซ้ายหน้ากลัวว่าเราทาวไม่ออกตีกอลก็เหมือนงานเมึงทอะไรอย้มันดันตาตัวมึงม่ให้คิดใหม่ทาใหม่วางแผนห่วางแผนทาได้ไหคิดใหม่ฮะเรียนมาสเตอร์เรื่องอะไรอะ ในการทำ l e อ r n ไ n g o อเคน้อเนี่ยเดี๋ยวต้องมาจดทะเบียนกันว่าพวกมึงจะเจ๊งเรื่องอะไรกันเจ๊งเรื่องอะไรหรือเ่าอยากเจงเรื่องเห็นไเห็นอล้ไเห็นแลไหจะเียนจรบีไของเซียนจารบีจริงหรือเป่าเดี๋ยวการกัดเลเวลถ้าเซียนจารีเลเวลห้าหมายความว่าไงครับไม่เนอไม่มองจาบีลิ้นแต เปล่นได้ละแต่เมืที่แล้วนะมีซัลเฟอร์หรือางานปัดเศษเฮ้ยพี่การกระหน่นี้การขนแบบนี้จริงๆแล้วมันหนึ่งจุดเก้านะมันโดนละสองโอเคมันปัดเศษโอเคดูกเรขนอย่างนี้อ่าอปลอดภัยตรงนี้ต่ออีกสี่ชั่วโมงเดี๋ยวระเปลี่ยนเข้าเวียนที่รอสูงสุดอยู่ที่ไหนเห็นปะไครไข่แม่เปเสียงหรืตรงนี้ว่าไครวัด เี่ยพลัสพลัสโซนเท่าไหร่ทำไมแซฟเนนี้ห้ อ, อ, อ, องนี้ได้ใครเป็น C ซีย e เอนของห้องแม่ออใช่มคิดใหม่ทำใหม่เข้าใจยังเซียนที่นี่มารวมตัวกันแล้วก็มาแชร์วิชั่นกันก็หลายหลคนรวมกันคำว่าท o มเวิร์กคำว่าทีมเวิร์กเนี่ยในความหมายของผมก็คือเก่งละอย่าง้วอยู่ด้วยกัน เก่งเหมือนกันคือแม่เราคุณจะไม่คนเดียวพอล้งเว้ยนมีตัวสำรองพวกเราแม่โคบีเลยเก่งเหมือนกันจริงแล้วอยู่แถดียวกันอีกเวทแม่งข้าันที่ไดยแค่ยงอาจารย์มาลายทำไมถึงทะเลาะกันเพราะแม่งอาชีพเดียวกันหาแดกเหมือนกันเสืออยู่คณะเดียวกันไม่กันรองอ๋เลยหนแม่งขึ้นมาลายม่งร้องหายแม่งเกลียดจนเป็นคู่คู่เลยอาจารย์มาลายอะคุวางแผนผิดแล้วไงงานวิจัยของไทยนี่ เหสุดเนี่ยหมาะไรเมืองไทยเนี่ยไม่ติดไม่ติดท็อกห้ิของเอเชียเลยนะวลาจาไม่ติดนะต่อหาน่ติดหานครก็ไ่ติดมองไทยติดเลยหมดแอาจารย์แม่่้เสียงที่หาม่ไปด่าคนประเมินว่าคนประเมินประเมินติดตัวอกเรนเขาประเมินมันยังไม่ตังก็เลยไคุยแล้วผลงานวิจัยของเมืองไทไม่ดีเลยเนี้ยนีหละอันนี้สร้างโนเลทขึ้นมาไม่ได้เลยงเเราแม่ได้อะไรเด็กๆบอลคอ ขายกะจ้างตนหลังจ้างผูหลังผูง้หาแม่แดดโเซนค่าคอนซัลท์อธัหูเป็นพลังนะเป็นพลังนะโปรเจ็ตน 50, ี้ห้าสิบล้านผู้หาแม่กสอ 6, 5, 5, 5, 5, งเปอร์เซ็นตะ์ห้าเปอร์เซ็นต์ไมเท่าไหร่ละนะสองล้านบาทนะููน้าแดมึงเป็นคนไทยเก่งมากเลยนะโปรเจ็ต น, นี้ห้าแสนเมื่อผู้หารเรื่องไครับว่างห้าสิบล้านกับห้าแสนได้ผล ง, งานเท่ากันห้าสิล้านใไหดูดีด้วย ไอ้พาทเตอร์ข้างล่างก็จบไปหมดแล้วใครชั่วบ้างเนี่ยเรี่ยงโงกทางโลกไอ้ขลาดทางโลกโลกทางธรรมที่ลงโลกหมดอ่ะมันลืมั้วมนุษย์เราอายุแม่นสั้นดูใคอร์รัชั่นคราวนี้นะมลงมันจะลดอีกแปดงมื่นปีไหมไม่คุ้มไม่คุ้มสุดท้ายศาสตร์ของการเรียนรู้ทั้งหมดเลยนะที่ผมสอบมันใช้ช้ายนะทั้งหมดเนี่ยคำวหมดแม่งหรือเล่ตอวเนี่ย หัวตวเดียวหายท อ, อะไรใจต้องสอนคุณเรื่องใจก่อนเกี่ยวที่เหลือมาได้หมดเลที่คุณที่เกียจเรียนเนี่ยเพราะใจคุณแม่งท้อแท้ที่คุณเห็นหน้าวิทยากรเนี่ยเพราะคุณมีอคติแต่ว่าที่คุณคลึอกอยากเรียนที่หายแล้วเพราะคุณก็มีลําเอียงคุณไม่ใจที่ชายแดนเมอือที่เป็นักสอนําน้ำไหม เป็นนังเอกด้วยออ่ซินดี้อ่ะถ้าซินี่มาสอนคุณดำน้ำเนี่ยคุณหาวเรียนไหมขยายอ่ะเ <c oughs> นี่ยคือลำเอียงเอียงัำเอียงชัดชัดเลยแค่เ <c oughs> นี้ยแล้วสุดท้ายเลยเนะี่ยสุดท้ายเลงนะเลนะี่ยฝรั่งแม่งตกม้าตายที่มันทำเลอร์ลิ a n อาไกับอยจากโนเวตโนเวตเว้ในในประเทศไทยตอนนี้นะที่ตกม้าตายเลยเพราะแต่ละคนแม่ยึดตาราฝรั่งหมดเลยผมอยู่อเมริกานานานี่ยเนื้อพวกแม่ดูชิดเยอะ อยากให้เขาบูชิดถุถุยถยถุยต้องการให้มง้างเป็นคนเตออม่เป็นคนัเ้มึนคุยกับวกมึงคยคนแล้วก็เก็บเงินค่าคุยนีเงื่อวัน้านเดงนี่งื่อนแจ้เขายวสุดท้ายก็ได้ดีจากพวกมึงนี่แหละแล้วไปเสนอผู้บริหารผูาก็เชื่อแเมงเี่ยมพวกมึงไอิมก็งงงายโดยหลอกเาแต่พอเป็นค่า้างคนเมันสูงใครได้ด้วยองได้กแล้ว เทนี้มาถึงชิบหายไงถึงล้มจมไงเขาจะรอเชื่อใจอยน่นะรอถังวัาอยู่ใกรผู้มีแรหมดไปก่อนให้รุ่นคุณรวยแห้งหตอนนี้จะเป็นรูปข้าราชการแล้วนะตอนนี้ข้าราชการคอร์รัปชันโคตรยากไม่มีหน่วยการคนตรวจใรื่นี้ยากคอร์รัปชันสมัยนี้ราชการคอร์รัปชันยากได้เล็กๆน้อยๆแต่คอร์รัปชันเจอวุฒิศาสอีกเรื่องหนึ่งใช่ยังสุกปลา เารันโซนมุตตะัดเส็นตัดถนนผานที่ของเมียตัวเองเข้าใจไหยเข้าใจอ่ะไอ้อนี้มันไม่คิดไม่ได้ความช่านเลยถูกว่าไม่ได้ความช่าหรือขายที่โงการรับวิสาหกิจนะหมดภายในเจ็7นาทีไอเวนโคตรชั่วเลยแต่ยังแต่มิ้นก็เลือกมันกูเล่าพูดไงไปนะ ไปดีไปคนนึงอะช้าที่หายไม่ทาหายะลยสุดท้ายนะี่มีอะเจ๊งอเจ๊งอะชาวประเทศไทยอะโอเคกลัเวเบื่ออบรมคําตอบทั้งหมดนันอยู่ที่ใจใจของผู้คุณเท่านั้นเองอะใจผู้คุณไม่ให้นะอะไรคุณก็ทําไม่ได้แม่งอยู่ที่ใจใจใจคุณไหนทสงคัญที่สุดรู้ไหม เจ้านายด่อนเจ้านายเจ้านายถ้าไม่มีสันดานการเรียนรู้นะคนทีอ่องค์กรแม่งก็ไม่มีสันดานเรียนรู้เจ้านายนี่ไม่ถึงแอนด์เดอะแกงนะเจ้านายและท่านรองอีกสามสี่ท่านทั้งหมดถ้าเข้ารวมตัวกันไม่ติดวิธีคิดเขายัางเฟ้อฟ้าอยู่เขายัางไม่เจ๋งนะคุณก็ทํำอะไรไม่เวิร์กสักอันหนึ่งมันอยู่ที่ใจเขาไะ เขาจะเล่นหรืเปล่าเขาเฮาหรเปล่าเขามีคติอะไรอยู่เปล่าเขามีลําเอียงอะไรหรือเปล่าถูกไหมครับส่วนพวกคุณก็เหมือนกันเ้าอยู่ที่ไหนเหมือนกันครับใจพวกคุณเหมือนกันว่าคุณคิดอะไรอยู่ใจคุณสู้หเปล่าคุณเป็นนักสู้หรือคุณเป็นนักยอมแพ้คุณสู้เปล่าเนี่ยลองสู้ไว่สู้คุณต้องตั้งเป้าเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเบลแล้วนะตั้งเป้านะ อย่างผมนี่นะผมสร้างเป้าชีวิตผมเลยก็คือแม่เข้านิพพานแต่เมื่อคุณเข้านิพพานเนี่ยใครเป็นนายคุณก็ได้ใครเป็นนายอายจารย์ก็ได้อาจารย์เอาความงี่เง่าของนายมาสอบปรมลมไว้แล้วกูว่าของคุณมันที่แม่มาปวนตีนทุกวันภายจากการกูก็ถือว่ากูทําตามหน้าที่เพราะมากแตกคืออะไรทําอาชีพชอบถือว่า เขาจ้างให้กูมาเป็นลูกน้องเขาเพราะั้นกูตามวิทยศาสตร์นายตลอดถ้าทับวันใดก็ตามผมคิดไม่ตรงกับนายวันนั้นผมล่ออกไม่ถูกเหรอกูเคยอ่านสามโคกมสองทับยกทับตีกันเนี่ยนะผมว่าแอคชิสเร็งพูดถูกมึงเป็นนายทหารเนี่ยทำไมมึงต้องตายให้กษัตริย์โง่ของทีมมึงด้วย มึกลับไปดูหนังเออคริสรใหม่นะแม่ซ่อนปัดยาวเอเยอะมากทำไมพูกทำมึงต้องตายให้กาษัตริย์ โ, โง่พวกนั้นถูกไหมผูกแม่ทั้งข่มขืนทั้งต้มทั้งอะไรใช่ไหมทำไมมึงต้องตายให้พวกมนะันน่ะทหานพวกนั้นแม่ไม่เข้าใจถูกไปที่กําแพงเมืองถูกก็ฆ่าตายที่ผาไอเวกรกษัตริย์มึงแม่งหมีทังหลังนะโถก <c oughs> ูไม่ลบกูมึงแล้วคนแรกมึงจะฆ่าหรือใครกันหถ้าเป็นเคสนะั้น่ะ ข้าก็าสัตว์ตัวกูกรครูกรฆ่าเสร็จก็ตัดหัวแล้วก็ย้ายค่ายโคตาชั่วเลยไม่หล่อจานหานศึกไว้เยอะถ้ากับนมจามหานมันตลอดนะ้นะคุณคุยกับผมเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องการมกเนะมันมันจะอยู่ในซีดีล้อมข้งนนมะัพอจะดึงออกมาจำได้สุดท้ายจานหานเรื่องพวกนี้กูเลยเลิกกูคอแล้วข้า น, นี้กูไม่ลบไปแล้ว ที่ขนาดขนาดชาตินี้แน่าจานี่ยมปอยู่นาซากลับมาเป็นที่บริษากองทัพอากาศใช่เลยไป ม, มากูก็ยู่งทหารอยู่เดีสเสืเรียนรอดอด้วยเข้ามาแมเรียนรอนวยพวกมีความสุขแลวพวกมึงไม่เกลียรร อ, ดอดนอพวกมชอบเลยเพวาแ ม, ม่อาชีพเก่ากูผู้ดีชาติแล้วกวกมันนี่หมายท้ายก็พบ ว, ว่าแม่ไรสาระวอ่ะพิพานเร้่งบายเนี่ยมันมีความจาเป็นที่ผมจะต้องสงนเรื่องธรรมะเพิ่มสุน เพราะถ้าเกิดเคลียตรงนี้ให้ไม่ได้นะสาต่างๆในโลกนี้ไร้สารานะหมดแล้ยคุณจะเรียนรู้การทำซากนะว่าในเมคุณไม่รู้ว่าคุณแม่เกิดมาทํำซากเลยคุณไม่รู้ร เ, เป้าหมายคุณมาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ทำเตียเย๋ยอะไรคุณไม่เข้าใจชีวิตเลยเสียเวลาเพราะนั้นการทํา learning all หรือ knowledge m a n e m e n t <c oughs> ของคุณจะเป็นไฮไลท์ของมันอยู่ที่ตรงนี้เว้ยตรงนี้อาจารย์สอนเรื่งองธรรมะพอธรรมะแน่นนะองค์กรแม่งเปลี่ยน เจ้านายทำนัดแม่นมากเจ้านายที่แข่งคอยนะทำนัทั้โบกันทั้งทีมเลยนะเวย้ยโจดแรกมันเปลี่ยนเชง <Change S 1> คนแรกใครใครดิเจ้านายต้องเชงคอคุณชุมพลเปลี่ยนคุณภาลนเปลี่ยนใช่ไหมลงรอง ล, อ ง, ล, อ ง, ลองมาแม่ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนตามเดี๋ยวคุณภาลนเขาเล่นเองไม ค, ครับคุณจะเชงต้องเชงเชงทั้งทีมเลเวย้ยเชงงทั้งทีม ถ้าในทั้งสอนที่ทานว่าเกิดมาทำซทาตาสอะไรทำไมคุณต้องปฏิบัติธรรมเดี๋ยวคุณก็จะรู้อ๋อเป็นจังสั้นแล้วพวกคุณแม่งก็โคตจี้เลยพระก่อนผมไม่ใช่คนพูดนะผมถือศาสนาอื่นด้วยผมกลับมาเมืองไทยผมเห็นวิธีที่พวกคุณถือศาสนาพูดแล้วผมหัวลอกกากเลยพวกมึงแม่งไม่เลินเฮาทุเลินเลยไม่เลินฮาเลินเสือกคิดเองคิดหายหมดเลยเพราะใโดกแม่งอยู่ไหนให้เอิดย แค่เริ่มต้นพวกมึงก็ปัมแล้วใครไปดูหาไม่เจอเลอยยีหนาอยู่นู่นครับขอใจไอเวนพอจะไปเปิดขอใจคุญแจอยู่กับเจ้าองวัด <c oughs> พอเปิดพอเปิดคุณแจก็ไปได้แม่ภาษาบาลีปอกตัวกับมวกไปเลยนะมอดแค่นี้พวกมึงก็เสร็จแล้วศา ส, สนาพวกพวกมึงยันคนต่างศาสนามามใหม่ๆหัวล อ, อกกากเลยอิศจก ต้องมือล่มนะ้วใยังแต่สุดท้ายสุดท้ายการนี้เลยต้องไปอยู่สถานะผู้เชี่ยวมือไฟแนลลี่มาค้นพบเรื่ังบางอย่าง อ, อือโอเคไหมใช่แ้วเดี๋ยวบ่ามานั่งเรียนกันนะเรียนอย่างน่าเบื่อดีนะได้ป่ะกานของเลือกวิธีสอนอย่างพุทธการเตรียมมันหลับนะกินให้เยอะๆเลยนะแล้วก็หลับรอด เพราะถ้าเทตรงนี้ไม่ได้นะอีกวันหนึ่งแม่งก็ไม่ได้แล้วอยากให้ใช้พวกเราถามเยอะๆกดฉาบ่อยๆกดฉาเยอะๆกจฉาวิสัชนาพร้อมยังพร้อมยังคำคมมะคำคมก่อนเลิกคำคมเรียนรู้หาอะไรก็ช่างสิ่งที่ควรเรียนรู้อันดับหนึ่งคืออะไรครับ ตอนนี้นยังไม่รู้จักใจมึงเลยแล้วบุญใจแล้วมึงทํางานใหญ่ไม่ได้ยังทำงานใหญ่ไม่ไ ด, ไได้ก็เดี๋ยวไปกินข้าวเลยนะตอนกินข้าวลองถามตัวเองว่ากายอยากกินหรือใจอยากกินถ้าใจไม่อยากกินเนี่ยมึงก็วางช้อนลงครัถ้ากายอยากกินก็ทําไมแด่เข้าไป สิบห้นาทีจะเห็นว่าไม่เวิร์กแดกไปเถอะเดี๋ยวเวลาไม่พอ